ก็ทำนองเดียวกันทำจริงจริงจึงเกิดความจริงขึ้นกับจิตกับใจเมื่อความจริงเกิดขึ้นในจิตในใจของท่านท่านจริงสุขจริงสบายจริงกล้าพูดได้บรรมะเป็นอาการิกโกคือม่มีการมีสมัยพระพุทธเจ้าบริี่ยนี้ผานไป 2,500 กว่าปีคนที่มุ่งมั่นปฏิบัติ การจริงจังนั้นความสุขความสงบหรือผูดง่ายๆมักผลยังมีอยู่ไม่ได้สิบหายไปตามการตามเวลาแต่คนไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดจิตใจของตัวเ่านั้นที่สงสัยว่ามักผลไม่มีในโลกก็คือโลกว่าใจของเขาแต่ผู้ะพื่อปฏิบัตินั้น ท่านไม่มีทางสงสัยว่ายิ่เลียดตัญหานี้จะขับไล่ออกไปได้หรือไม่ใจที่เคยสุ่งฟุ้งยุ่งเกี่ยวต่างๆมันจะสงบได้หรือไม่มันจะต้องเห็นต้องเป็นในการกระทามำเพ็ญของตัวทำมันเป็นอย่างนี้ผู้ประพ่วยปฏิบัติมีสิทิทั้งการิหัดทั้งรันไยชิตที่จะคึกจะปฏิบัติตัวได้ดันั้นขอทุกท่าน ผู้มุ่งมัน่นแสวงหาความสุขจนต่างหน้าต่างต า, งตาที่นคือเจนาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติความสุขความสบายความสงบเย็นนั้นในต้องไปถามหาถ้าหาเราประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วมันจะเกิดจะเป็นจะเห็นจะรู้ในตัวของตัวทุกทวนหน้าเหมือนกันกับพืช ผลต่างๆที่เราปลูกฝังลงไปดอกผลของมันไม่ต้องปราถน า, ถาหากเรารักษาลำต้นของมันมันจะออกมาถึงการถึงเวลาของมันนี่ขอทุกท่านจงลงมือประพฤติปฏิบัติต่างหน้าต่างตาทําจริงทําจั ง, จงมรรคผลนั้นไม่ต้องคาดต้องฝันมันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นในการกระทํำบาเพ็ญของตนไม่ต้องไปสงสัยว่ามรรคผลไม่มี หรือเราอาภัพอภิสนะปฏิบัติไม่เห็นไม่เป็นให้อย่าไปสงสัยขอให้ตั้งใจทำจริงความจริงจะเป็นนี้ไปไหนจะเกิดขึ้นในใจของตนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยู่ที่เพียงแค่นี้เอวังเรามาวัดเกิดปฏิบัติกายใจของเราเพื่อแสวงหาบุญกุศลกีจคน ทั่วไปปรารถนาการให้ทาน ท, าท่านก็คิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลรักษาศีลก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลฟังธรรมก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลภาวนากถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเรามาแต่ละครั้งแต่ละคราวนานๆทีจึง่อยมีโอกาสที่จะมาวัดมาวาาได้เพราะการงานทางบ้าน อยู่เกี่ยวหลายสิ่งหลายอย่างเมื่อเรามาถึงวัดถึงวาเราก็ต้องทําตามหน้าที่ของเราเพื่อจะให้เกิดวุ่นเกิดกุศลการทานพวกเราก็ได้ให้ทานไปตามความสามสารถทานเราได้มาแล้วศีลเมื่อเวลาเราขอวัดเขาวาเราก็ไม่ได้ทําเสียหายจิตจากศีลขอใด ร่างกายของเราไม่ได้ไปขาไปขโมยไปทําอะไรสิจะผิตจากศีลไปรายจ า, าของเราผมนี่โกหกมดเช็ดไปเรื ừ, อ่องของศีลเรื่องของการฟังธรรมการก่อสแสดงอัดธรรมผิดถูกดีชั่วสู่เราฟังเราจะได้นําไปที่นิติเจนาศึกษาปฏิบัติการภาวนาทำลายจิตใจก็ถือเอาเวลาฟังธรรม เป็นการหนังภาวนาสำราญใจของตัวการสร้างธรรมที่เป็นภาวนานั้นคือระวังรักษาอารมณ์ของใจไม่ไปเกี่ยวข้องนึกคิดในเรื่องอดีตอานาคตกำหนดอยู่ในปัจจุบันจิตของพวกเราท่านโดยส่วนใหญ่ถึงเราไม่มีการงานอะไร มาด้วยแล้วไม่มีหน้าที่จะทําอะไรในเหมือเวลาเรานั่งฟังธรรมแต่จิตกว่ามากอยากนึกคิดปรุงแต่งไปในทางอดีตที่ผ่านมาคิดถึงจริงนั้นคิดถึงจริงนี้ทั้งทั้งจี่การงานที่เราคิดมันก็ไม่มีอยู่ในวัดในวาในตัวของเราแต่เรากบไปนึกไปคิดถ้าไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งอย่างนั้น จิตของเรามันก็วุ่นวายบางทีก็เดือดร้อนเพราะกลัวว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างนั้นกลัวว่าสิ่งนั้นจะเป็นอย่างนี้มีชิตความรักษาจิตของตัวไม่ดีไม่เกิดบุญไม่เกิดกุศลคือความสงบเย็นใจได้แังนั้นเวลาเราท่านนัง่งภาวนาฟังธรรมะซึงสํารวมระวังรักษาอย่าให้อารมณ์สัญญาเหล่านั้น มาเกี่ยวข้องกับจิตใจของเราจากําหนดบทพุโทโธกับพุโทโธพุธโทโธอยู่นั้นเราตั้งใจไว้โดดีแล้วธรรมะไม่ต้องไปตัางหน้าตั้งตาฟังแต่มันก็เข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราเหมือนเราตั้งภาสนะโองอ่างกระถางเอาไว้ถ้าตั้งไว้โดยดีแล้วฝนมันตกลงมาจากท้องฟ้ามันก็ตกลงมาสู่ภาสนะของเรา ถ้าตกแรงแล้วก็ได้มากถ้าตกเบาแล้วก็ได้น้อยไม่เชียถ้าเราตั้งภาตนะของเร า, าไว้ไม่ดีแต่แชงเสียเรียกความใบเสียฝนมันตกมากเท่าไรมันก็ไม่ขังให้มีแต่ไหลหนี้นี่จิตใจของปวกเราท่านนักปฏิบัติกวาทานองเดียวกันขอให้ตั้งให้ตรงเอาไว้อย่าไปตั้งวนว่าท่านจะสอนอะไร มันเป็นหน้าที่ของท่านอย่าไปคิดในอดีตที่ผ่านมาอานาคตยังไม่ถึงคพืนสังรวมใจของตัวอยู่ในปัจจุบันเมื่อพวกเราท่านตั้งใจมั่นอย่างนั้นจิตใจก็ค่อยจะสงบรวมลงไปให้ได้รับความสุขความสบายคือบุญคือกุศลเกิดขึ้นจากตนของตนที่จะ่ทำความเย็นความสบายนั้น มันจะไปทับจิตใจของเราให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสความเต็มใจอยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะทุกคลนุ่งความสุขความสบายโดยการทั้งนั้นใจไม่ทราบว่าวิธีใดจะทําใจองตนให้สงบระ ง, งับดับสังขารมันไม่ทราบวิธีการเกิดมาก็มีแต่การจิดตรงยุ่งเกี่ยวกับ ต่างๆอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้มีโอกาสเวลาพักผ่อนไม่ได้เห็นความสงบเย็นของใจจึงไปคิตกุงอย่างใหม่ว่าสิ่งนั้นมันจะนำความสุขมาให้สิ่งนี้มันจะนำความสุขมาให้แต่แล้วสิ่งจิตตัวเข้าใจว่ามันจะนำความสุขมาให้กับนาความทุกข์มาให้แฉ่กายแฉ่ใจของตัว <c oughs> ส่วนการภาวนาการชำระจิตนั้น พออารมณ์สัญญาทุกอย่างมันขาดไปใจมันสงบความสุขไม่ต้องไปเรียกร้องมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากตัวของมันเองเป็นความสุขที่เราไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเชื่อมัน่นว่าความสุขอันนี้ไม่มีใครในโลกที่ไม่ได้ฝึกปฏิบัติจะเห็นจะเป็นให้ถึงจะมีเงินทองเขาของมากมายขนาดไหนก็ไม่มีวันมีเวลาที่จะระสบพบเห็น ตามสงบเย็นของจิตยอย่างนี้นี่เป็นเรื่องของผู้กว่าพปฏิบัติจะเห็นจะ่เป็นจากการจต่ทำบำเพ็ญของตัวฉะนั้นที่พวกเราท่านอุตส่าห์พยายามมาบวชกว่าดีมาแสวงบุญกว่าดีเึง่อกำหนดรักษาจิตใจของตัวไว้ให้ถูกต้องตามํำนอง่องธรรมใจจะเย็นใจจะสงบ นี่คือเรื่องของบุญของขุสศนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติในอจในธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนได้ไม่ว่าเป็นบรรพชิตนักบวชหรือฆราวาสสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้สมัยพุทธกาลฆราวาสเป็นทาริยบุคคลก็นับไม่ถ้วนในว่าแต่นักบวชไทยเดียวเพราะนั้นเมื่อทุกท่านทราบ ว, ว่าตัวของตัว มีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติคุณความดีได้พึง ต, ต, ต่างหาตางตาปฏิบัติรักษาทานการให้อันนี้เราเคยกคยทำมาตามกำลังศรัทธาตามกำลังหลังทรัพย์ของเราเราเคยให้เคยทำมาทานนี้ก็เป็นบุญเป็นก e ุศลอันหนึ่งที่เราเสียสละออกไป ให้แก่คนอื่นจะเป็นการสรงเคาะคนอดอยากอยากจนก่อนดีจะเป็นการบูชาผู้ที่มีคุณธรรมกว่าดีกว่าใด้สือวาทานเหล่ยกันทางนั้นทานนี้สามารถที่จะนำผู้กระทำบาเพ็ญให้รับผลในปัจจุบันคือผู้ที่เสียสลระ สิ่งของให้คนอื่นคนคนนั้นในปัจจุบันทันตาจะมีพระผัวผื่นฟุงไปสถานที่ใดจะไม่ค่อยมีภัยอันตรายเพราะเหตุใดเพราะคนส่วนใหญ่ที่ได้รับจากเราไฟเมื่อเราไปหาเขาเขาก็จะต้องรับส่อนรับเราอย่างหน้าตายินมแย่มแจำ่มใสพราะเราเคยสงเคราะห์เขาด้วย วัตถุต่างๆของที่เขามนีอยู่เขาก็อุตส่าห์หามาให้สะดวกสบายไม่มีอันตรายมีภั ย, ม, ภยมีเวรและเป็นสเสน่ห์ทำให้คนทั่วไปรักใคร่เลื่อมใสยินดีชอบใจเพราะการให้การอนุเคราะห์ของเรานี่อั น, น้สงปัจุบันทันตาเราก็เห็นคุณค่าของการให้ทาน หลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในศาสนาก็อาศัยผลทานของทายกทายิกาจึงอยู่ได้หากขาดทานไปเสียพระเจ้าพระสงฆ์ท่านทําอะไรไม่ได้เพราะท่านมีพาวีนในหัดห้ามเอาไว้จะค้าขายทําภเศรษกิจตการอะไรจะปลูกฝังอะไรทําไม่ได้ทางนั้นชีวิตของท่านอาศัยอยู่ด้วยผู้มีศัก ไม่ว่าอาหารการขวบฉันหรธอที่อยู่ที่อาศัยตลอดถึงยาแก่โรคภัยต่างๆท่านุ่งภาหม่มก็าอาศัยทายกอุบาสกอุบาสิกาผู้มุ่งหน้ามุงตาแสวงบุญนำมาให้ถ้าขาดทายกทา ย, ยิกาบำรุงรักษาไม่มีใคร <c oughs> ให้ทาน ทำบุญทำกุศลพระเจ้าพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้เพราะพระในใจพระพุทธรูปท่านเป็นพระมนุษย์ธรรมดาเหมือนสามัญชนท่านจะต้องมีการกินการดื่มการหนุง่งการหม่มการอยู่การอาศัยมีโรคภัยที่ควรจะแจกไขรักษาโดยยุกยาต่างๆดังนั้นพูดดีหนุ่งบุญหวงังกุศลแจ่ตนคองตน จึงควรแก่ทาบำเพ็ญเพื่อรักษาไว้สิ่งพระพุทธศาสนาเมื่อท่านได้รับอาหารตลอดถึง้านุ่งสาหม่มที่อยู่ที่อาศัยสะดวกสบายท่านก็มีกำลังทางกายกำลังทางใจที่จะประพฤติปฏิบัติทำวินัยจะศึกษาเ ร, าเรียนก่อสะดวกสบายจะตั้งหน้าต่างตา สำลักเฉลียปัญหาก่อสะดุดไม่คัดข้องทานจริงเ็นหลกเงาเขมูลของศาสนาอันหนึ่งพระพุทธศาสน า, าจะอยู่มาได้ก็อาศัยทานของทายกทายิกาโหน่หน้าเหลื่อมใส่นายินดีนะ้ะเจนใจที่เรามีจิตศรัทธาบำรุงพระพุทธศาสน า, ษาตามกำลังศรัทธาที่เราจะทำมาได้นอกจากนั้นบุญกุศล ผลของทานที่เราบริจาคไปก็เหมือนกันกับพวกที่เขาทำไร่ทำนาทำสวนผลผลที่เขาเอาไปทำนั้นมันก็ต้องเสียไปเป็นธรรมดาแต่มันตกดอกออกผลให้ในภายหลังข้าวพืชพันธ์ต่างๆที่ไปหวานลงไปในไร่ในสวนในนาของเก่ามันก็หายไปเนื่อเก่าที่เรา ออาไปปลูกฝังแต่ถ้าเราไม่คิดว่ามันจะเกิดผลเกิดประโยชน์เราก็ทำไม่ได้เพราะมันหายไปจริงจริงการให้ทานก็ทํานองเดียวกันให้เท่าไรก็หมดไปเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเรื่องได้มาตอบแทนคนที่นึกอย่างนี้จึงจะมีเนิ้วแน่นไม่อยากจะทำบุญทุนทานอะไรเพราะหายไปขาดทุนศุนกาไร ใหญ่ไปเราไม่มีอะไรตอบแทนกินมาแต่คนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นพิจารณากันโดยอัดโดยทรรมภายในใจคนที่ทำบุญสุนทานอยู่บ่อยๆแทนที่เขาจะอดอยา ก, ยากจนแต่ขอคนอื่นเขาอยู่เขากินไม่เป็นอย่างนั้นเขาสแสวงหาสมบัติสถานต่างๆได้มาสมบูรณ์พ้นสุข คนีิตใจ น, นี่เนี่ยเนี่ยกลัวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยทำบุญสุนทานอะไรแทนที่เขาจะรวยจะมั่งมีเขาก็ไม่มั่งมีเท่าไรคนทิ่เขาทำบุญสุนทานแทนที่จะอยากจนเขาก็ไม่อยากจนเท่าไหรยังพอเป็นพอไปโดยอํานาจผลของทานเดนินบรรดาลมาให้ทำอะไรกับศเหมาะกับจังหวะได้มาดือความบริสุทธิ์ใจนี่คนจิตคิดอย่างนี้ ก็ทำบุญสุนทานได้ผลกำไรข้างหน้าทานที่เราปลูกฝังเอาไว้ก็เหมือนกันเขาเขาปลูกพืชไร่พืชสวนต่างๆมันจกดอกออกผลข้าวมเมล็ดเดียวถ้าไปหว่านลงไปปลูกลงไปในสถานที่อุดมด้วยปุ๋ยต่างๆนะ้ำไม่ขุ่าบมันสามารถที่ดอกออกผลเป็นพันพันเม็ด หรือมากกว่านั้นก็ได้เพียงข่าวเม็ดเดียวที่เราปลูกฝังลงไปมันให้ผลขนาดนั้นมีการทาบุญทำปู่ฝนทางศาสนาขอทํานองเดียวกันถ้าเราทําในสถานที่ถูกเหมาะสมมันก็เกิดสารประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลสามารถโดนบรรดาลให้เรามีความสุขความสบายตายไปบุญกุศฝนที่เราสะสมเอาไว้ จะเป็นผู้สอนรับเราจะไม่ผิดหวังในภพชาติทางหน้าเพราะเราได้ทำเอาไว้สะสมเอาไว้ถูกต้องดี ม, มีคนอื่นจะมีกรรมสิทธิม์มาแย่งชิงสมบัติเขาของที่เราสะสมเป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้หนีไปโจรกขโมยไม่ได้น้ำก็ไม่ท่วมไฟกไ็ไม่ไหม ผู้ที่มีอำนาจราษฎร์อย่างพระราชาก็ไม่มีอํานาจที่จะมาลิบเอาของถึงเป็นบุญเป็นผุ้สนของเราไปได้มีหมายถึงทานให้ผลในการทางหน้าถึงเราไม่เคยเห็นเทวบุตรเทวดาเป็นอย่างไรถ้าหากเราทําบุญสุนทานทําการผุ้สนอยู่แล้วเราจะได้ไดเห็นสิ่งใดที่เรา สะสมเอาไว้สิ่งนั้นจะเป็นผลเป็นกำไรต่อชีวิตของเราไม่ติบหายไปที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อย่างนั้นเมื่อหมดบุญหมดกุศลหมดผลของบุญในสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อี่คนคนนั้นก็จะเป็นคนที่สมบูรณ เยครัคาทรัพหมายถึงคนคนนั้นเกิดก็จะเกิดในตระกูลที่ดีมีสมบัติพอเกิดมาก็าจะมีสติปัญญาพอเกิดมาก็าจะสแสวงหาทรัพย์ได้สะดวกสบายไม่มีอันตรายถัดขอ้อนี่ผลที่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเราไมา่พิจยารณาถึง เหตุผลจริงจังก็จะไม่เชื่อว่าทานี้คงจะเป็นเรื่องของพระท่านยุเย้าให้เราทำบุญสุนทานเพราะท่านจะได้รวยได้อยู่สุขสบายไม่เป็นอย่างนั้นความจริงของมันต้องเป็นความจริงคนเราเกิดมาใครเล่าอยู่ในโลกนี้ไม่ปรารถนาอยากจะมีสมบัติพักสถาน ไม่ปรารถนาความสุขความสบายไม่ปรารถนา <c oughs> รูปร่างสวยสดงดงามไม่มีคนถึงมีกิเลสตัณหาปรารถนาโดยกันทางนั้นแต่เหตุใดยายเล่าคนเราจึงต่างกันก็ด้วยอํานาจปารถนาผลบุญผลกุ่ยผลของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันฉะนั้นเกิดมาแทนที่จะมีสมบัติเข่าของเงินทอง สะดวกสบายมันก็ไม่มีให้เกิดก็เกิดในตระกูลที่ทุกยากลำบากหาชาวินเย็นถ่าใจหนุ่งเจ้าหมก็ลำบากแสนเข็นนป่าจะได้มาปกเมื่อปกตัวของตัวขาดหน้าขาดหลังบ้านส่องหรอกก็เล็กเล็นยน้อย อยู่ไม่สุขไม่สบายให้ตลอดถึงโรคภัยก็มักเบียดเบียนเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยนี่คือคนอาภาพัพอับบุญอับผูสนคนไม่มีบุญเกิดมาจึงไม่สมความปรารถนาของตนเพอบุญนั้นหมายถึงความสุขความเต็มใจเราให้ด้วยความเต็มใจเราได้อะไรมาเราก็ได้มาด้วยความเต็มใจของเราเราให้ด้วย ของดีก็บของดีนั่นแหละเกิดตอบแทนเราถ้าเราให้พอเสียไม่ได้ให้ด้วยความไม่เต็มใจเมื่อได้มาก็ได้สิ่งที่ไม่เต็มใจเป็นเครื่องตอบแทนแต่นั้นก่อนจะให้เราสองีนี้พี่เจนะดูจิตใจของเราให้พองใสให้เต็มใจในการจะทำบาเพ็ญเมื่อให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความเลื่อมใส บุญกุศลก็เกิดขึ้นในจิตในใจของตอนเพียงระลึกนึกถึงเท่านั้นว่าเราเคยทำบุญสุนทานในสี่นั้นสี่นี้มีความยินดีเต็มใจในเวรลราที่เราทำหรือทำไปแล้วระลึกได้จิตใจก็เย็นก็สบายเพราะเกิดมาไม่เสียชาติของมนุษย์แต่ทำบุญสุนทานตามอำนาจศาสนาไม่ดี โมหะบุคคลนี่ความนึกคิดของเราแต่ส่องนึกคิดทีนิดที่จะไนาหาเหตุผลคนเรามันต่างกันด้วยอํานาจบุญกรรมที่เขาทํามาไม่ใช่เขาปาฏถนาอยากจะเป็นคนทุกข์ยากลบาบากเห็นใจไม่ใช่เขาปาฏถนาอยากจะมีโรคภัยเบียดเบียนเขาทุกคนไม่ต้องการทางนั้นแต่เหตุใดมันจึงเป็นไปได้ ก็อาศัยบุญกรรมที่เขาทำมามันจิดแปลกแตกต่างกันฉะนั้นการให้ทานจึงเป็นผลของบุญของกุศลอันหนึ่งซึ่งพวกเราท่านควรกระทำบำเพ็ญเมื่อเราทำแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาแบ่งชิงยิ่งลาว <c oughs> บุญกุศลที่เราทำให้เสียหายไปศีลเราก็ควรรักษาเพราะศีล น, นี้ เป็นเรื่องมนุษย์ทุกถ้วนหน้าจะต้องรักษามนุษย์ที่มีศีลก็ไม่แปลกอะไรกันกับศัตรูธรรมดาซึ่งเขาไม่ทราบ ว, ว่าศีลเป็นอย่างไรนี่เราก็ต้องรักษาศีลก็รักษาง่ายเพราะรักษากายรักษาวาจาของตัวไม่ได้ดไปอยู่ในที่ใดศีลคืออยู่ในกายในใจไม่ได้ดอยู่ในวัดในว่าอยู่กับข้าทับเจ้าอยู่กับเราศี รักษาถ้าคนไม่รักษาศีลคนนั้นก็เดือดร้อนเพราะศีลของตัวไม่มีไม่ได้ทำความดีเอาไว้ไปสถานที่ใดก็ไม่มีใครเชื่อถือเรื่องของศีลเป็นเรื่องสำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ควรมองข้ามควรจะรักษาโลกสมัยปัจจุบันนี้เดือดร้อนบุนวายเพราะขาด เรื่องของศีลของธรรมนี่เองไม่เสร็จเรื่องอันอื่นจิตใจของเราก็เหมือนกันที่เม็ต่อยสงบเย็นได้ก็เพราะขาดศีลขาดธรรมถ้าหากเรามีศีลมีธรรมอยู่ในตัวของเราเราก็สงบเราก็สบายคนไม่ขาดกันไม่เบียดเบียนกันไม่ลักของกันขโมยกันมันจะสุขจะสบายขนาดไหนไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่มีภยัยไม่หวาดระแวงมีอะไรอยู่ใน มือของตัวอยู่ในบ้านของตัวก็ไม่กลัวว่าคนนั้นจะมาฉกมาลักเอาไปนี่คือสาคนมือศีนคิดเพียงเท่านี้มันต้อมีความเย็นความสงบความสุขในโลกโดยอำนาจคนทีขาดศีนโลกจึงไม่สงบโลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายกันฉะนั้นศีนจึงควรรักษาคนจีรักษาศีน ไม่ข่าเขาไม่เบียดเบียนเขาเราเกิดมาก็ไม่มีภัยอันตรายไม่มีใครที่จะมาเบียดเบียนเราเราไม่ทรมานเขาไม่ทำชั่วทำเสียเอาไว้เกิดมาโรคภัยก็ไม่เบียดเบียนอยู่สุขอยู่สบายมีร่างกายสวยสดงดงามเต่งตัางมีกาลังทางกายทางใจที่จะทำการงาน ทุกด้านได้นี่คือศีลที่ไปจากอยู่ในปัจจุบันคนที่มีศีลเท่านั้นก็มีความสุขความสบายได้ยิ่งภาวนาละชีเลดของใจแล้วก็ยิ่งมีความสุขความสบายมากเพราะไม่มีอะไรอื่นที่จะเป็นทิศเป็นภัยเท่ากับใจของตัวไทยทางนอก มันอยู่ห่างไกลเรายังมีการหลบห ล, ลีกติดตัวได้อยู่ในสถานที่บางแห่งกว่าปลอดภัยไม่มีอะไรที่จะมาทำเราได้แต่กิเลสของเราซึ่งอยู่ในจิตในใจนี้ไม่มีสถานที่ใดที่จะหลบลี้ปลอดภัยได้ถ้าหากเราไม่กาจัดขับไล่มันออกไปกิเลสคืออะไรคือความโลภอยากได้ความโกรธความหลง สามตัวนี้ท่านถือว่าเป็นอกุศลมูลคือมูลเหตุของความชั่วถ้าโลกมากๆเขา้ามันก็ยับยัง้งไม่ได้อาจจะไปขโมยเขาไปต้นเขาจี่เขาอาจจะโกงเขาอย่างนั้นอย่างนี้มันเกิดขึ้นพอใจมันโลมันอยากได้ไม่มีฝั่งมีฝา ทมโลกหมายถึงได้มาทางสุจริตแต่ถ้าได้มาทางสุดจริตจะมั่งมีเข่าควงเงินทองมากมายกายกองขนาดไหนพระพุทธเจ้ า, าท่านไม่ได้ถือว่าเป็นความโลภเพราะได้มาด้วยความสุดจริตได้มาด้วยความ <c oughs> ในเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นท่านก็สอนให้มันขยันทําการงานตามหน้าที่ของตนเพราะ คามหมัน่นความขยันยอมนํามาซึ่งสมบัติฉันสอนว่าอย่างนี้โลภนั้นที่เราจะตัดมันออกไปได้ให้มันหายให้มันสบายในจิตในใจก็ต้องคิดใค่ถึงอกเขาอกเราเมื่อเขาห่วงเกินเราเขาทํากับเราอย่างนี้เราจะเสียใจไหมของไม่ดีเข้าว่าของดีของถูกเข้าว่าของแพง ของของเราเขาไปว่าของเขามันยอมเสียใจยอมบาดใจเจ็บใจเป็นธรรมดาเมื่อเป็นอย่างนั้นเราควร ห, หรือที่จะไปทำแบบนั้นจะต้องสอนตัวของตัวเช็นอกเช็นใจเขาเราเหมือนกันสิ่งใดที่ผิดอย่าไปคิดไปทำมันนี่คือคนมีอัตมีธรรมห้ามกัน้น ควรมโอภของตัวนอกจากนั้นโลภมาขนาดไหนได้มาขนาดไหนถ้ามันไม่เป็นอัดเป็นทำให้มันมีภัยอันตรายเราไปได้ของเขามาด้วยความโกงเขาหรือผลจีเขาเขาทราบเท้าว่าเราเองเป็นต้นเหตุไปทําของเขาให้เสียหายอย่างนั้นเขาก็ผูกกรรมผูกเวรบางทีจ้างคนมาฆ่ามันเป็นไปต่างๆนานาเด้อ คนเราเกิดมาก่าจะต้องตายด้วยกันทุกทวนหน้าจะแสวงหาได้มามากมายขนาดไหนไม่มีทางที่จะห้ามกันความตายได้ด่เพราะความตายไม่ได้ยินดีในสิ้นบาทชิ้นบนที่นคนจะไปเอาไปให้มีเข่าของเงินทองเท่านั้นเท่านี้ยาให้ข่าวให้เจ้าเป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้ล่มตายไปเล ย, เลยความตายไหม่เคยยินดีมัจิุราจะต้องตายไปถึงวันถึงเวลาตายไปแล้วหาไปได้หามไปได้ขนไปได้ไหมทำไมใจจึงไม่มีขอบเขตฝั่งฟ้าจะต้องที่จริญาสอนตัวข้องตัวให้ตัดความโลภออกไปจิงได้ที่ได้มาด้วยความเหม่สุจริตอย่าไปคิดไปทามัน ถ้าทาแล้วมันให้ผลแต่ตนคงตนเป็นทุกข์และคนอื่นที่เกี่ยวข้องเขาก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะเราไปเหบียดเบียนเขาไปโลบเอาของเขาคนโลบคนชั่วคนเหบียดเบียนคนอื่นตายไปไม่มีใครที่จะเสียใจเขายินดีอยากจะให้ตายวันแล้ะร้อยคนพันคนเพราะคนเข่นนั้นอยู่ ในโลกมากเท่าไรก็ทำโลกให้เดือดร้อนวุ่นวายเท่านั้นตรงกันข้ามคนดีมีศีลมีสัตว์ตายไปเขาเสียใจเพาอยากจะให้อยู่เพราะอยู่ก็ก่อประโยชน์ทำประโยชน์ให้แกคนอื่นให้แกโลกสงบสุขนี่เรื่องของมันเป็นอย่างนั้นเราต้องที่นิเทศนาให้ถึงเหตุถึงผลของมันโปดเล่านี่ก็เป็นตัวไทเรนอันหนึ่ง ถึงทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจเสียหายคนโกรนั้นปกติกว่าตัวของตัวเองได้รับทุกโทษก่อนคนอื่นโกรธขึ้นมาจิตใจร้อนแผลเผาหน้าตาคนที่เคยสวยสดงดงามถ้าโกรธขึ้นมันก็ไม่น่าดูหน้าเป็นยักษ์เป็นมารไปพูดออกมากอเหม็นเป็นไข่ ไม่มีใครที่จะเชื่อถือเขานี่เกี่ยเรื่องความโกรธเป็นโทษเป็นภัยอย่างนั้นคนที่โกรธมากเท่าไรก็เป็นทุกข์แก่ใจของตัวเท่านั้นดังนั้นจึงควรละเรื่องความโกรธออกไปอย่าให้โกรธแผลดเผาจิตใจของเราโกรธมาไม่เห็นคุณค่าของชีวิตมีแต่คิดจะห่าจะแก้งคนอื่นเท่านั้น มันเป็นไฟด้ความโกรธมากเท่าไรก็เหมือนไฟอะ่ะมีแต่ร้อนมีแต่เผาอะไรตกรธเข้าไปก็ไหม้ก็เผาทางนั้นถ้ามันลุกโงงถึงกองใหญ่เท่าไรเปลวใหญ่เท่าไร่ไม้สดๆทิ่งเข้าไปใส่มันก็ไหม้ก็เผามีความโกรธของคนก่ อ, อทานองเดียวกันถ้าโกรธขึ้นมากเขาพูดดีๆก่อโกรธให้เขาเขาเดินไปดีๆก่อตาหนิเขาด่าเขา ีความโกรธมันไม่เป็นอาจเป็นทําให้ผันจริงหาละเรื่องเหล่านี้มันเกิดมาจากความหลงของเราไม่ได้คิดนี้ที่เจรินาในความจริงของมันมันจึงเกิดขึ้นได้ฉะนั้นการภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญคือดูจิตใจของเราเองไม่ต้องไปรู้ที่อื่นกว่าเดียวนี้อารมณ์สัญญ้นยที่มันคิดมันปรุงมันเป็นอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่ว จะทำให้ตัวเสียและจะทำให้ตัว <c oughs> สุขสบายต้องตรวจตาพี่เจนาดูอารมณ์ของใจผู้ใดสิฝึกอบรมใจของตัวดูใจของตัวถ้าชั่วอย่าไปเกี่ยวข้องตัดออกไปเตาออกไปทิ้งออกไปโยอนออกไปอย่ามาเก็บไว้เพราะของชั่วของเสียนั้นไม่มีคุณค่าสาระถ้ามันดีก็รีบรักษาเก็บกรรม เอาไว้จะให้มันเสื่อมมันหายมันเสียไปที่ไหนตรวจตาอารมณ์ของใจคือการภาวนาการรักษาตัวเมื่อใจของเราดีใจของเรามีสุขใจของเราสงบใจของเราเย็นเราก็มีคุณค่าสาระสูงตัวของตัวเองก็เป็นสุขคนอื่นสัตว์อื่นเขาเห็นเขาก็เหลื่อมใสดีใจ เต็มใจคนที่ทุกในจิตในใจวิ่งเข้าไปหาคนจก่ทุกเบืวยกันมันก็แก่กันไม่ได้มีแต่จะทุกรวมทุกขเขา้าได้รับทุกมากเทวีคูณขึ้นไปแต่นั้นโดยส่วนใหญ่คนทุกทางจิตทางใจจึงวิ่งเข้าไปหาพระเพราะพร ะ, พระท่านมีความสุขความสบายภายในจิตในใจของท่าน เรามีทุกอะไรไประบายสู่ท่านฟังท่านเกาะยอมฟังและยอมแก่ไขแนแนวให้คนจึงเข้าวัดเขาา้าว่าหาพระหาเจ้าโดยส่วนใหญ่ก็คือไประบายทุกออกจากใจของตัวแต่นั้นเราทุกคนเกิดมายังเยียนไห้ตายเกิดอยู่ในวัดตาสงสารจะต้องอาศัย กรรมที่ตัวทําเป็นเครื่องนําพาไม่ใช่ว่าอยากอย่างไรจะได้อย่างนั้นอาศัยกรรมที่เราทำํำเราทําดีกรรมดีก็จะให้ผลแก่ตัวของเราคือไปเกิดในใสถานที่ดีมีความสุขความสบายทางกายทางจิตถ้าเราทํากรรมชั่วไว้ตัวกรรมชั่วของตัวนั่นแหละจะีิเราออกผลให้ ไม่เคยไปเคยเห็นก่จะไปจะเห็นที่ชั่วที่เสียต่างๆตัวของตัวเกิดมาก็ไม่สมปรารถนาแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะกรรมชั่วมันให้ผลแังนั้นเราทุกคนจึงมีสิทิที่จะเลือกคัดดีชั่วออกจากตัวของตัว เฉาส่วนใดที่มีอยู่กำจัดขับไล่ออกไปดีส่วนใดยังไม่มีสะสมให้เกิดเป็นเห็นรู้ขึ้นนี่คือการประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ทั่วไปเพื่อความสุขความสบายในการเวียนว่ า, ายตายเกิดเพราะเรายังมีกิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทานอยู่ในใจจะปฏิเสธขนาดไหนมันก็เกิดกตายอยู่วันอย่างขําเพราะมันยังมีพืชของมัน มีเชื่อของมันที่จะให้เกิดนอกจากพระอาหารอาหารันตอรหันต์สี่ท่านกำจัดขับไล่กิเลสออกจากใจหมดสิ้นไปไม่มีอะไรที่จะสงสัยว่าพบชาติต่อไปจะเป็นอย่างไรท่านไม่กอ่อพบกอชาติอีกเพราะท่านเห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์มันไม่มีความสุขความสบายอะไร วิเรียดมีอยู่เท่าไรก่อเหมือนกันกับไฟถึงแม้มีนิดๆหน่อยๆมันก่ร้อนก่เผาทานจริงกำจัดปัดเป่าออกไปจากกายจากใจของท่านจนกายใจของท่านบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีความสงสัยว่าพบชาติต่อไปเราจะเป็นอย่างไรท่านสุขท่านสบายทั้งที่ท่านยังไม่ตายหรือท่านตายไปแล้ว เพราะไม่มีอะไรที่จะละจะบำเพ็ญตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายยังอยู่ก็ไม่มีอะไรจิตที่จะละจะบาเพ็ญภายในใจของท่านผู้ที่เป็นอย่างนั้นพบชาตไหม่มี้ชาติดีจากจิตของตัวถ้ า, าไม่ถึงที่สุดหลุดจากวิเลตตัญหาอย่างนั้นอย่าพากัรประมาทเมือนเฉยรีบกระทำบำเพ็ญคุณความดีเอาเสีย ในเมื่อเรายังไม่ตายตายไปแล้วเขาจะไปเขาไปฝังที่ไหนก็เป็นหน้าที่ของเขาเราเอาไปไม่ได้กายอันนี้สมบัติพัสสถานเขาของเงินทองก็เหมือนกันแบกบหามไปไม่ได้นอกจากกรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทําเอาไว้เท่านั้นจะเป็นเงาติดตนตามตัวไปพระพุดดทธเจ้าสอนให้เราทีนิดพี่ใจะนะรีบเร่งแต่ทําบําเทนคุณความดีเอาไว้ไม่ได้สอนให้เราตายใจ ไม่สอนให้เรางงเง่าเต่าตุนเรื่อยไปสอนให้เราพิจิตพิจรนาศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลของความสุขความทุกข์ต่างๆแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์พภพุทธศาสนาจึงเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันดีควรที่จะพินิตรเจรนาศึกษาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติคุณงามความดีที่เราได้ลงมือกระทําบําเพ็ญนั้น จะเป็นมิตรติดตัวของเราไปทุกระยะทุกเวลาผู้ที่มีคุณงามความดีเป็นมิตรจะไปเกิดสถานที่ใดก็ไม่ผิดหวังแต่นั้นเราท่านทุกคนที่ยังเวียนไหวใจเกิดอยู่ในวัดจ่าสงสารจงอุตสาห์พยายามทำคุณงามความดีเดือยไปด้วยอานาจคุณงามความดีที่เราก่อสร้างเอาไว้ เราจะไม่ผิดหวังในภพชาติต่อไปอาการจะทําบําเพญเมื่อยังเป็นอยู่เท่านั้นจะทําได้ตายไปแล้วไม่มีโอกาสเวลาจะทําทําดีกบกลับมาสู่ตัวทําชั่วกบกลับมาห้เราถ่านเรว่ากุศลาธรรมะกุศลาธรรมะในว่ากุศลาทำไปอกุศลาทำไปทําดีกับความดีกลับมาห้เราทําชั่ ว, ก, ก, ก, ว, ก, ก, ว, ก, วกัความชั่ว แทนที่จะไปให้คนอื่นสัตว์อื่นเขากลับมาให้เราอีกเราจึงเลือกทำเอาตามความสามารถของเราที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่อย่าไปคิดว่าตายไปเสียก่อนลูกหลานเหรนเขาจะทาให้เมื่อตายไปไม่มีสิทธิทจะมาล้องเอาจากโรงจากศาลได้วส้มบัติเราหามาได้ทำไมไม่ทำให้เรามันไม่มีสิทธิไม่มีกฎหมายข้อไหน ไม่มีใครที่จะทำอย่างนั้นได้เวลา ย, ยังไม่ตายทานเราก็ต้องให้กีนเราก็ต้องรักษาภาวนาเราก็กระทำบาเพ็ญไปตามอุปนิสัยตามความสามาถของตัวเมื่อฝูดไม่ตา ม, มากอุตสาพยายามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพวกเราท่านก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเกี่ยเวลา ขออำนาจคุณพระศีรัะนาใจและบุญกุศลทั่วไปจงุ่มคองรักษานักปฏิบัติทุกคนให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันเยวัง